สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพคะ่ะรายการสนส น, สนาสนะคะมาพบกับท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m 1 0 6เป็นสถานีวิทยุในเครือของฐานเรือนะคะคือสทรอเราก็มาเพื่อที่จะสนทนาธรรมมาฝึกทักษะในการปฏิบัติธรรมกันวันละเล็กวันละน้อยเพียงแค่นาที2นาทีนะคะ ให้ความรู้ที่เป็นวิธีในการที่จะนําเอาไปทำกันเองต่อที่บ้านได้ตลอดเวลาวันนี้เราก็ไปกรานสนมสการพระอาจารย์ของเรานะคะนั่นคือพระมหาภาบูลุญอภิบุญโนวัดป่าดอนหายศูนยดรนธา น, นีกันคะ่ะน้มศัการกันทั้งคะเดิมพอนเมื่อมาฟังธทมแล้วก็ปฏิบัติรำด้วยแตนะ่โดยให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจแน่นอนเวลาที่จิตของเราไปอยู่กับ เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยด้วยธรรมชาติของจิตที่มันอาจจะไปรับรู้สิ่งต่างๆไปด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราดูทีวีเราก็ได้ยินเสียงมันไปด้วยเราจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามไปด้วยอาจจะรับรู้ถึงความร้อนความเย็นต่างๆด้วยธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้แต่ในขณะที่เรารับรู้ถึงสิ่งต่างๆไปด้วยเราก็อย่าให้ลืมหลงลมหายใจการที่จะไม่ลืมหลงลมหายใจได้ก็คือการที่ให้เราเอาใจมาจดจ่อระลึกถึงอยู่ตรงไหน ตรงที่เรารับรู้ถึงสัมปัสของลมได้เพราะว่าลมหายใจเนี่มันเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงปอดถึงท้องไปเวลาออกมามันก็ไหลออกไปอย่างนี้แต่เราไม่ให้ตามลมเข้าไม่ให้ตามลมออกพระปริชาเบรีบเทียบเหมือนกับนายทวานคือยามที่เฝ้าประตูอยู่ที่บริเวณประตูเนี่แหละเขาก็ไม่ได้ตามคนเข้าไปจนถึงในอาคารไม่ได้ตามคนออกไปจนถึงนอกถนน ก็เดินไปเดินมาอยู่บริเวณทางเข้าทางออกนี้อาจจะไปเข้าห้องน้ำบ้างอาจารย์เผลอหลับนายบ้างแต่เวลาทํางานต้องกลับมาที่นี่เช่นเดียวกันจิตของเราบางทีที่บางทีมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นบางทีมันก็ไปไม่อยู่กับลมไม่ได้อยู่มาตรงที่เรารับรู้ลมและเราระลึกได้เมื่อไหร่เราก็เรียกจิตของเรากลับมาอาการที่เราเรียกจิตของเรากลับมาให้อยู่กับลมเนี่ยอันนี้ศัพท์เขาก็ใช้คําว่าสตินั่นเอง สติแปลว่าการระลึกได้การเริ่มมาระลึกได้ว่าโ อ, โอ้ใช่ใชฉันต้องมารู้ลมนะฉันต้องมารู้ลมนะนี่แหละคือสติเพราะฉะนั้นสติเวลาที่เราระลึกได้มาจากความคิดนึกเรื่องอื่นๆเดี๋ยวนี้จะทําให้สติของเรามีกํำลังมากขึ้นเวลาที่เราตั้งสติขึ้นได้แล้วสติเนี่แหละจะเป็นตัวที่จะเป็นเหมือนกับอธิบดีดรบราบัดญาบอกว่าทำทั้งหลายมีสติเป็นอธิบดีกำว่อธิบดีนี้คือความเป็นใหญ่ ในการที่จะพาธรรมะอื่นๆเนี่ยให้ตามมาตามมาบุคคลที่มีสมาสติเนี่ยก็จะนำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นในใจได้บุคคลที่มีสมาสติเนี่ยก็จะทำให้มีการพิจารณาใคร่ครวญมีการวิจัยแยกแยะธรรมเป็นธรรมวิจยาได้บุคคลที่มีสติเนี่ยก็จะทำให้สามารถรู้เห็นตามที่เป็นจริงได้บุคคลที่มี ส, สติเนี่ยก็จะสามารถรักษาศีลได้ด้วยสามารถควบคุมกายได้ด้วย ควบคุมวาจาได้ด้วยเพราะว่าจิตนั้นได้รับการควบคุมจิตที่มันคุมปากอีกทีคุมมือคุมไม้อีกทีก็จะรับการควบคุมไปแต่อยู่ในร่อ ง, อองออในรอยในศีลในธรรมบุคคลที่มีสติเนี่ยยังสามารถที่จะรักษาศีลยังสามารถที่จะรักษาผู้อื่นได้ด้วยเพราะว่าเวลาที่จิตของเรามีสติเนี่ยการตอบสนองกับเขาน่ยก็จะเป็นไปในทางที่มีเมตตาไม่เบียดเบียนรักไรเอ็นดู การตอ hmm. บสนองไปในลักษณะนี้ก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้บอกว่าถ้าเราต้องการรักษาผู้อื่นเนี่ยก็จงเจริญสติปัฏฐานเดิดถ้าเราต้องการรักษาตัวเองก็จงเจริญสติปัฏฐานเดิดนนเพราะว่าเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาตนก็คือการรักษาผู้อื่นเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาผู้อื่นก็คือการรักษาตนเองเพราะฉะนั้นในครอบครัวหรือในเพื่อนฝูงญาติมิตรของเราที่ทํางานก็ตาม หรือเพื่อนฝูงในกลุ่มใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรารักษาสติไว้อยู่ตลอดไม่ว่าคนนั้นเขาจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยชื่อว่าตัวเราเองก็ได้รับการรักษาละชื่อว่าผู้นั้นก็ได้รับการรักษาล่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเรื่องกระทบอะไรในกลุ่มหมู่เพื่อนฝูงหรือว่าในครอบครัวเนี่ยอย่าว่าการอย่าด่ากนนันเพราะว่าการด่ากันว่ากันเนี่ยมันแสดงถึงความที่เราขาดสติแต่ให้เป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟือ้อเคี่ยวกูลมีความที่จะพูดดีๆต่อกันและมีจิตเมตตากัน อันนี้คือแสดงถึงความที่จิตของเรามีสติทับหนึ่งนี้แล้วรักษาตัวเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยสามารถที่จะทําไปได้ตลอดทั้งวันเลยหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมเราไปไหนก็มีลมไปด้วยเหมือนเต่ามันไปไหนก็เอากระดองไปด้วยเราเอาลมของเราไปแล้วก็ให้อย่าหายใจทิง้งแต่ให้เป็นลมหายใจที่เราเอาสติเอาใจของเราไปจดจ่อเอาไว้อันนี้จะทําให้จิตของเราสูงขึ้นดีขึ้นและเป็นบุคคลที่เรียกว่าเข้าสู่ร่องรอย เป็นบุคคลที่เรียกว่ามาสู่ผู้แห่งสัตว์บุรุษเทนบอลใช่ถูกค่ะนะคะทำทั้งหลายมีสติเป็นอาทิบดีถูกต้องแล้วพอหลังจากนั้นถ้าเป็นประหลัดนี่อยู่ขั้นไหนเหราท่านคะประหลัดนี่ก็ตามกว่าอาทิบดีนะในที่นี้อ่าแต่ว่าในทางโลกนะคะท่านคะอืมในประวกระทรวงเนี่ยประหลัดใหญ่กว่าอาทิบดีแน่คะ่ะแต่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามีปัญญาทำทั้งหลายเนี่ยนะ มีปัญญาเป็นอ <Okay. S 1> ันดับสูงสุดแต่มีสติอธิบดีนะตามสายงานนะมีปัญญาเนี่ยเป็นอันดับสูงสุดแล้วก็มีสมาธิเป็นประมุกแต่สมาธิเป็นประมุกนะมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดนะมีวิมุติเนี่ยเป็นแก่นแก่นนะคื <Bros. S 1> อว uh ิม huh. <sa> okay. uh ุต huh. okay. mm ินะแล้วก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบมีนิพพานเป็นที่สุดจบในทางคำสองมูลยานแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่า ค, คือพวกนี้มันจะทำงานไปด้วยกันจะทำงานไ ป, ไปด้วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะอืมค่ะคือเริ่มต้นจากทำทั้งหลายมีสติเป็นอธิบดีทำทั้งหลายมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดโดยมีสมาธิเป็นประมุขมีวิมุตเป็นแกน่น ม, มีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ดังนั้นจะไม่ได้เรียงแบบทางโลกหรอกนะคะดิฉันก็ถามไปอย่างงั้นแล้วค่ะท่านคะคือเหมือนกับว่าฟังแล้ว ถ้าเราเรียงแบบทางโลกนะบางคนอาจจะสนใจว่าถ้ามีทำรรในส่วนของสติเนี่ยมีสติเป็นอธิบดีแล้วต้องมีอะไรที่สูงกว่าอธิบดีแน่เพราะว่าในทางโลกมันยังไม่ได้สุดจบที่อธิบดีอืในสายงานของกระทรวงต้องเป็นประหลัดถูกไหมคะใช่ทีนี้ก็เท่ากับว่าปัญญาสูงกว่าสติเออถ้าเราจะพูดอย่างนี้เพรว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดคะ่ะเออคือการที่จะให้เกิดปัญญาได้ก็ต้องมีสติเป็นพื้นฐาน ถ้าบอกว่าปัญญาจะสูงสุดเนี่ยเราพูดด้วยเต็มปากไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่มีสติคุณไม่เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็ต้องอาศัยสติเกิดก็พูดง่ายง่าเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอปัญญาชั้นสูงสุดชั้นเหนือกว่าเธอเอาแล้วถ้าเธอไม่มีชั้นเธอจะอยู่ได้ไงเอาอย่างเอาแค่ประหลัดกระทรวงอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นประหลัดกระทรวงแล้วคุณไม่มีลูกน้องสักคนคุณเป็นประหลัดไม่ได้นะหรือเอาทุกคนในกระทรวงทุกคนเป็นปหลัดหมดเลยมันจะไปทํางานกันยังไงอ่ะมันมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นการที่จะมีหัวหน้าได้เนี่ยง ค่ะเพราะตรงนี้คือเป็นลักษณะของปฏิญาณสมุบาในคุณโยมติวที่ว่าอาศัยกันและกันเกิดไม่ใช่ว่ามีอะไรสําคัญกว่าอะไรนะแต่ทั้งสองอันสําคัญพอกันเลยนี่ะถ้าคุณไม่มีหัวหน้าคุณไม่มีลูกน้องคุณไม่มีลูกน้องคุณจะมีหัวหน้าได้ไงค่ะมันจึงต้องอาศัยกันและกันเกิดค่ะเพียงแต่ว่ามีสติจึงมีปัญญาสติเป็นอธิบดีจึงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดที่เป็นผลจากการเจริญสติแต่ในความสูงสุดนั้นมีวิมุติเป็นแก่นใช่นะคะ แล้วก็มีสมาธิเป็นประมุกคือต้องต้องมีสมาธิหรืองไงคะตรงเนี้ยค่ะคือคําว่าเป็นประมุกเนี่ยคือหมายถึงเป็นหัวหน้าคือลักษณะการทํางานไงลักษณะ <c oughs. S 2> การทํางานคือทําคือการตามคําว่าตามสายงานเนี่ยเป็นลักษณะคือเป็นเป็นการแล่นมาการเดินมาตามสายงานคุณจะประมุกคุณต้องถูกประมุกตามสายงาน <c oughs> สายงานมันมาตามนี้นะแล้วก็คําว่าประมุกเนี่ยก็คือเวลาเราทําอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดเป็นสมาธิขึ้นค่ะ <c oughs> เนีเป็นสมาธิเป็นฐหน้าในการทําเสร็จแล้วภิกษุณีที่ชื่อธรรมทินาท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะว่าเหมือนกับ เ, เราไปเชอผลไม้อยู่สูงอยู่ต้นหนึ่งเราปีนต้นไม้ไม่เป็นเนี่ยคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็เป็นฐานไว้คนที่อยู่ต่อมาเนี่ยก็พยายามดันให้สูงขึ้นคนที่ขึ้นไปต่อตัวคนที่สามเนี่ยก็ต้องเป็นตัวเบาๆแล้วก็ต้องมีทักษะในการเก็บผลไม้ ค, นะคือคือเนี่ยคือลักษณะว่าอันล่างสุดเนี่ยคือศีลตรงกลางนี่คือสมาธิ ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยคือปัญญาเพราะฉะนั้นก็การที่ไปตามลำดับตรงนี้คือต้องมีสติต้องมีสติเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยก็เป็นอันดับสูงสุดคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่เป็นคนเหมือนกับว่าอยู่เหนือสีนขึ้นอีกที่นึงอันนี้ก็คือสมาธิค่ะสมาธิค่ะ ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวนะคะในส่วนที่ท่านพูดหรือว่าทำทั้งหลายมีสติเป็นอธิ ป, ปดีมีปัญญาเป็นระดับสูงสุดสมาธิเป็นประมุขวิมุติเป็นแก่นนิพพานเป็นที่สุดจบอันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ถูกไมคับใช่ใช่แล้วก็เสริมด้วยในประสบการณ์ของพิกุลีที่ชื่อว่าธรรมตินนานในสมัยพุทธกาลท่านอธิบายไว้อย่างนี้ค่ะหมายถึงว่าต้องช่วยกันในการที่จะเก็บผลผ ล, ลไม้ใช่นะคะด้วยการเกื้อกูลกันดังกล่าวนั้นเรีบานค่ะเัิงฟังค่ะ เนี่ยละนะคะจึงจึงจะบอกว่าสิ่งที่ท่านได้ฝึกทักษะกันอยู่ในตอนต้นที่ท่านพระมหาภัยบุ์ได้แนะนำนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นอธิบดีในการที่จะทำให้เรานั้นไปต่อไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานเป็นที่สุดจบถูกต้องค่ะทีนี้เมื่อวานได้เกริ่อนเอาไว้กับท่านฟังทั้งหลายนะคะ หลังจากที่ได้กราบเรียนสนทนากับท่านถึงเรื่องของเทวดาแล้วท่านก็บอกว่าเราเองเราก็สามารถจะมีความรู้สึกเหมือนเข้าแดนของการเป็นเทวดาได้มีจิตที่เป็นเทวดาเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าหากเรามีศรัทธาในพระพุทธองค์มีศีลมีบริจาคมีปัญญาแล้วนั่นแหละเราจะรู้สึกถึงการมีจิตเป็นเทวดาได้ด้วยตัวของเราเองโดยไม่ต้องไปอยู่ในโลกของเทวดาจริงๆที่มีความสุขในความเป็นทิพย์อ่าก็อย่างน้อย ก็ยังพอเข้าใจทีนี้ก็เลยไปต่อถึงว่าบางคนที่ไม่เชื่อว่ามีเทวดาจริงๆเราคุยอะไรกันอยู่ท่านไพบูรณ์ก็ได้บอกว่าก็ลองนำเอาสิ่งที่ปฏิบัติอยู่อันนี้ไปสังเคราะห์เข้ากับธรรมะของพระพุทธเจ้าจํเป็นการว่าที่ท่านตรัดไว้จริงหรือไม่ทำได้แค่ไหนเชื่อแค่ไหนก็ทำแค่นั้นก่อนค่ะทีนี้ดิฉันก็เลยได้พูดถึงว่าคนเก่งๆเชื่ออะไรยากทั้งหลายทั้งปวง เพิ่งไปฟังมาจากพระรูปหนึ่งที่ได้ไปแสดงธรรมในต่างประเทศโดยท่านบอกว่าท่านพูดแต่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจปรากฏว่าคนเกง่งๆที่ไม่เคยเชื่ออะไรมาก่อนแบบนี้ค่ะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองศึกษาพากันทึ่งอืแล้วก็เหมือนกับว่าทึ่งว่าไอ้ตัวเราไปเรียนอะไรมีเยอะแยะมากมายไม่ได้เรียนเรื่องของตัวเองอืนี่ค่ะก็เลยอยากจะกราบเรียนให้ท่านาว่าท่านเห็นด้วยไหมถ้าท่านเห็นด้วยท่านกรุณาให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าเราก็กําลังสนทนากับท่านแล้นะคะ ในานะที่เปศึกษาประเด็นแรกที่ว่าคนเก่งๆเนี่ยมักจะเชื่ออะไรยากเนี่ยก็ ค, คือหมายถึงคนคที่มีปัญญามากใช่ไหม ค, คนที่เรียนสูงๆรู้ข้อมูลมากมายเนี่ยคนที่มีปัญญาสูงเนี่ยแล้วถ้าเผิดว่าปัญญามันมากแต่มากเกินกําลังสติเนี่ยไอ้ส่วนที่เกินมานี่คือความอยากนะความอยาก<น>ลักษณะที่เป็นตนาที่มันเกินมาตรงเนี้ยมันก็จะออกมาในรูปของความเคลียบแคลงเห็นแยง้งเป็นวิจิกิจฉาเป็นวิจิกิจฉาซึ่งลักษณะของความเห็นแย้งเนี่ย สมมุติว่าพูดเรื่องสวรรค์ น, นรกเฮ้ยอะไรว่ามีหรเปล่ามันไม่น่าใช่มั่งนี่คือลักษณะความเห็นแยง้งเป็น <c oughs> วิจิกิจฉานแต่เพราะว่าคุณไปทดลองทำวิทยาศาสตร์นั่นนี่โน่นไม่เห็นเป็นจริงเลย <c oughs> อย่างพระชจ้าปายาสิทําอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ไม่เห็นอันนี้คือมีปัญญาอยู่ <c oughs> แต่ว่าปัญญาเนี่ยมันเกินกําลังสติพอมัน <c oughs> เกินกําลังสติแล้วส่วนที่เกินมามนก็เลยออกมาในรูปของวิจิกิจฉาเป็นความเ <c oughs> คลือบแคลงความเห็นแยง้งความไม่ลงใจถามนั่น น, น, นี่โ น, น่นแต่เพราะว่าความเห็นแย้ง ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าส keptic พวก skepticism อย่างเงี้ยพวกแบถามนั่นนี่เนี่ยคือมาจากใจที่เป็นแบบนี้เนี่ยเพราะปัญญามันมากค่ะทีนี้คนที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะพอเราให้ข้อมูลอะไรก็ตามที่จะเพิ่มกําลังสติของเขานะค่ะหรืตามเราต่อกันนะให้ข้อมูลอะไรก็ตามที่จะเพิ่มกําลังสติของเขาเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเกินไปเนี่ยนะที่ปัญญาเขามีอยู่แล้วเนี่ยมันเลยเป็นปัญญาที่ดีเป็นปัญญาที่ดีปุ๊บเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิพวเนี่ย เขาจะมีศรัทธาในคำสอนของมุขพระเจ้าเลยค่ <Okay. S 1> ะเพราะว่าบุคคลที่มีปัญญาเนี่ยนะพอมีกําลังสติเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งไอ้ส่วนที่เกินมาเนี่ยอ๋อที่เราเข้าใจมันเป็นงี้นี่เองอ๋อใช่ใช่ใ ช, ใช่เขาจะมีความรู้สึกว่าอ๋อไอสิ่งที่เขาได้เคยเรียนมารู้มาเนี่ยแม่เราเข้าใจมาถูกต้องธรรมะนั้นด้วยนามกายคือที่อยู่ในสมองพวเนี่ยมันเข้าไปสู่ใจด้วยอะไรโดยกําลังสติที่คุณได้มีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีความมั่นใจมีศรัทธาขึ้นมา ปัญญาตรงนี้มันก็จะวนลูป ก, กับมาที่ศรัท ธ, ธาค่ะญญทีนี้พี่กรับเรียนถามหมายความอย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าส่วนใหญ่คนเก่งๆนี่ก็จะศึกษาในพวกทฤษฎีต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันโ อ, โอ้โหคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยรู้ใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงมารู้สึกว่าพอเจอแค่เรื่องไอ้ของเราเองเรื่องของทุกคนมีเนี่ยการการการเชื่อมต่อมย่างนี้คุณยมเตียว ที่อะไรมาบอกว่ามีปัญญาใช่ไหมแต่ว่าสติมีกำลังไม่พอใช่ไหมก็เลยเป็นวิจิกิจาใช่ไหมทีนี้ถ้าเพิ่มสติของเขาทําให้ปัญญาของเขาเนี่ยวนลูบมากลับมาที่ศรัทธาว่าจึงจะมีศรัทธาว่ามากขึ้นโ้หนี่อะไรกันเยี่ยมจริงๆเนี่ยแล้วสติตรงเนี้มันมาตอนไหนมันมาตอนที่มากระบาดสารนี่แหละครูทุกท่าบอกว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตเป็นที่แล่นไปสู่อินทรีย์ทั้งหลายนะคือตาหูจมูกจีนกายใจนะมันจะพุ่งไปสู่จิตใช่ไหมจิตเนี่ยต้องมีสติเป็นที่นไปสเล ถ้าจิตไม่มีสติเป็นได้เล่นไปสู่เนี่ยมันจะหลุดไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันต้องเข้าสู่จิตจิตมันต้องมีสติสติมาตรงนี้พอสติมาตรงที่มากับผัสสะพวุ้เมื่อไหร่เนี่ยโอ้สติเพิ่มนี่อา้าวไอ้ส่วนที่เป็นวิจิกิจามันก็เลยเป็นกําลังปัญญาของเขาพอเป็นกําลังปัญญาของเขาเนื่องจากการที่มีสติเพิ่มเนี่ยทําให้ศรัทธาของเขามีมากขึ้นดันดีน่ยมันเชื่อมกันตรงนี้นะ ค่ะ <Okay. S 1> สติจะเกิดขึ้นตรงไหนให้อดัมายามีทีหนึ่งอดัมาจึงพูดได้แต่ตอนต้นว่านายธวานเนี่ยเฝ้าประตูอะไร <Okay. S 1> นายธวานคือยามเนี่ยเฝ้าประตูอยู่หประตูกายของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรีย บ, บเทียบเหมือนกับเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองกายมีท่าสี่ดินน้ําไฟลมในท่าสี่ดินน้ําไฟลมกายของเราเนี่ยเป็นอย่างนะี้นะแล้วก็มีเจ้าเมืองคือวิญ ญ, ญาณมีเจ้าเมืองคือวิญ ญ, ญาณนะเมืองเมืองเนี่ยมีประตูอยู่6ประตู คือตาหูจมูกลิ้นกายลใจมีนายทวารที่เฝ้าประตูอยู่เพราะฉะนั้นนายทวารที่เฝ้าประตูเนี่ยก็คือสตินั่นเองถ้าเราจะอธิบายเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจสติมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพอเราอธิบายเรื่องสติตรงนี้อ๋อฉันต้องตั้งสติตรงนี้นะสติมีกําลังเพิ่มขึ้นไอ้ส่วนที่เขาเคยมีวิจิกิจฉามีความเคลือบแคลงเห็นแยง้งพอสติเขามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้ส่วนที่เป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งนั้นกลายเป็นปัญญาของเขาไง ขเขาจึงมีศรัทธามากขึ้นทันดีค่ะดิฉันเข้าใจเอาแบบภาษาของดิฉันเองนะคะ <c oughs> ว่าเหมือนกับผู้ที่เก่งกาจทั้งหลายเนี่ยสมมติเอาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้าหาเรื่องยากๆเช่นสร้างยานอวกาศไปนอกโลกสมมติ <c oughs> สมมตินะคะ <c oughs> คนพวก น, นี้ก็จะโอ้โหลูในสิ่งที่เราไม่มีทางรู้ไปถึงเลยอะถ้าเราไม่ได้เรียนไปในทางวิชาเดียวกับเขา <c oughs> แต่ว่าเขามีในสิ่งเหมือนเราก็คือมีผัสสะทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจที่แหละนะคะแล้วสติเนี่ยเขาก็มีอยู่กับตัวแต่ส่วนจะพัฒนามาจนเป็นทักษะในการใช้สติเนี่ยที่เรียกว่าผู้นี้สติคงเยอะอยู่พอสมควรในการที่จะศึกษาได้ขนาดนั้นถูกไหมคะ ท, ที่มีปัญญาขนาดนั้นเนี่ยเขาต้องมีสติมากทีเดียวแหละใช่แต่สติเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ เกิดจากการที่มาสังเกตในสิ่งใกล้ในสิ่งที่อยู่ในตัวเป็นอะไรที่ใช้กับเรื่องนอกตัวใคะใช่ใช่คําว่าสติเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ความหมายไว้คือระลึกถึงสิ่งที่กระทําจํากําที่พูดแล้แม่นานได้ค่ะ น, นี่คือสติทั่วไปการที่เรามีสติตระลึกว่าเออฉันต้องเรียนหนังสือนะฉันจะต้องไม่ไปเล่นนะฉันจะต้องมาศึกษาตรงนี้นะฉันหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้เนี่ยอันนี้แสดงให้เห็นถึงความที่เขามีสติเขามีสมาธิแน่นอนแต่แต่มันยังไม่เป็นสัมมาสติยังไม่เป็นสัมมาสมาธิ นีจะมีสัมมาสติจะมีสัมมาสมาธิได้คุณก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิสะ ก, ก่อนก่อนเป็นที่ถูกต้องอะ่ะเรื่องอะไรเรื่องแบบนี้แบบนี้นะมันเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้นะเนี่ยเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันก็มีสัมมาทิฏฐิแล้วสติที่มีกําลังอยู่เนี่ยจากสติทั่วๆไปสมาธิทั่วทั่วไปมันก็เลยเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมาค่ะนะคะและดิฉก็เลยเดา ว, ว่าสงสัยพอเขามาได้ศึกษา ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านเพียบุญได้พูดถึงบ่อยๆว่าถ้าเรามีสติใช่ไหคะเราคอยสังเกตสมมติว่าสังเกตสังเกตลมหายใจก็คือกายอย่างหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจลมหายใจเป็นกายเราก็จะจะได้รู้จักว่าอ๋อเมื่อมีสติอยู่กับกายมันเป็นอย่างนี้แล้วกายเราเนี่ยจริงๆแล้ว เขาอะไรคะเราไม่สามารถที่จะรู้เขาได้ตลอดเวลาใช่มีความไม่เที่ยงที่ดีพอสมควรความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของทั้งลมหายใจด้วยความไม่เที่ยงของทั้งกายด้วยค่เขาก็เห็นตรงนี้ก็เป็นปัญญาเพิ่มกับอีกและเรื่องอย่างใจใจอย่างเงี้ยค่ะเรนเชื่อว่าเรื่องเรื่องใจเนี่ยจะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรแบบที่ทําตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นได้ชัดว่าเออจริงๆเนาะถ้าเรามีสติเนี่ยจะดีมาก เพราะอย่างกับที่เมื่อวานที่ท่านได้กล่าวถึงว่าแล้วก็เราก็พูดกังวลนะคะในราการนี้ที่ว่าพระวุทธองได้ตรัสถึงเรื่องของการความคิดของเราใจนะคะปรึกเปใน เ, เรื่องใดๆมากจิก็จะน้ําไปอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ค่ะอแล้วก็ยังเรื่องของลิงที่จิตเหมือนเหมือนกันลิงมันเที่ยววิ่งไปมาไม่อยู่นิ่งอย่างเงี้ยจิตมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วมันก็จะทําให้เราได้รู้ว่าอ๋อบางครั้งบางเรื่องที่เราไม่ควรที่จะ ไ, ไม่มสบายใจไม่ควรจะมีความทุกข์อยู่ได้นานขนาดนั้นเนี่ยปัญหามันเพราะเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราต้องถอนจิตของเรามาจากตรงนั้นใช่ตรงที่เราจะถอนจิตออกมาจากตรงนั้นได้เนี่ยเนี่แหละคือสติจะดึงออกมาตรงนั้นได้อะอะไรทําให้มันติดหนึบกันนั่นคือตัณหาอาวิชชาในการที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องถอนออกมาตรงนั้นเนี่ยนั่นคืออวิชชาไอ้ตรงที่มันติดหนึบกับไอ้ mm. ความคิดที่มันทําให้เราเป็นทุกข์นั่ น, นะ นั่นคือตันหาและการที่เราจะรู้หรือได้ว่าเฮ้ยฉันต้องออกมาจากตรงนั้นนะอันนี้คือสติค่ะค่ะท่านคะทีนี้อ่าในวงสนทนาเราเราก็มักจะมีการสนทนาอย่างเนี้ยกันบ่อยๆเช่นเราเห็นเพื่อนเราลำพึงเราลำพันในเรื่องบางเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องอไม่สบายใจนะคะระบายให้เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนก็บอกให้ปล่อยวางทีนี้ก็สงสัยนะคะ <c oughs> ว่าความสําคัญของคําว่าสติ กับปล่อยวางเหมือนกันหรือไม่อือย่างไรอะไรสําคัญมากกว่าการอะไรมาก่อนอะไรมาหลังะคะ่ะคือคือในในศาสนาพุทธเนี่ยแล้วก็ใช้กันมากเลยบอกเออปล่อยวางสิปล่อยวางสิอยา่าไปยึดถือแต่ใช้กันบ่อยมากเลยจนกระทั่งบางคนก็ไปเข้าใจผิดว่าเออเอ้เออะไรก็ปล่อยวางงานการไม่ทําไม่รับผิดชอบนั่นนี่ น, นู่นอันนี้คือคือเข้าใจผิดไปะละแต่เพราะว่าก่อนที่เราจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ น, นะคุณยมติวนะ พระพุทธาเนี่ยอธิบายเป็นขั้นตอนมีทั้ง4ขั้นตอนก่อนที่คุณจะปล่อยวางนะคือก่อนที่ใครจะปล่อยวางได้เนี่ยเขาจะต้องมีความคลายกําหนัดซะก่อนคลายกําหนัดซะก่อนก่อนที่คุณจะมีความคลายกําหนัดได้เนี่ยคุณจะต้องมีความเบื่อหนายซะก่อนเบื่อหนายซะก่อนก่อนที่คุณจะมีความเบื่อหนายได้เนี่ยคุณจะต้องเห็นตามที่เป็นจริงซะก่อนก่อนที่คุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เนี่ยคุณจะต้องจิตเป็นอารมณ์เดียวซะก่อนก่อนที่คุณจะจิตเป็นอารมณ์เดียวได้เนี่ยนะ โอ้คุณจะต้องมีความไม่ร้อนใจมีปีติมีความสบายใจแต่ก่อนที่คุณจะมีความไม่ร้อนใจมีปิติมีความสบายใจได้เนี่ยคุณต้องมีศีลซะก่อนนะเพราะนั้นลําดับขั้นมันไล่ไปตามนี้ว่าเราต้องมีศีลก่อนศีลคุณดีหรือยังแต่มีข้อปฏิบัติที่ดีแล้วเอามีความไม่ร้อนใจมีความสบายใจและจิตเป็นอารมณ์เดียวตัวนี้สําคัญพอจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วถึงจะเห็นตามที่เป็นจริง ในความเป็นก่อนไม่เที่ยงต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนนะถ้ายังไม่เห็นตามที่เป็นจริง A ออะไรก็ปล่อยวางปล่อยวางอันนั้นคือโมหานะโมหะเต็มเต็มเลยพอโมหะเป็นอวิชามาครอบงําปุ๊บ ก, ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรอะ่ะมันก็ไม่สนใจมันซะแะต่จิตก็ไม่เป็นอารมณ์มันเดียวเมืดตึ๊บเลยหมึนทําอะไรไม่ถูกนิ่งๆสุ บ, บรีเซพยาสติดไปมั่วสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้คือมีโมหะแล้วก็อ้างว่าตัวเองปล่อยวางปล่อยวางอันนี้ไม่ถูก เนะีเพราะจิตไม่เป็นอรมณ์เดียวไม่เห็นตามที่เป็นจริงเอาเราพอจิตเป็นอารมันเดียวเห็นตามที่เป็นจริงแล้ว <c oughs> เห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆไหะจะมีความหน่ายในความหน่ายนี่คือนิพิทาตรงนี้มันจะเริ่มเริ่มละความเปลอแนละ้วมันจะเริ่มไม่เปลอแนละวพอมีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดคลายกำหนัดพอมีความคลายกำหนัดแล้วจึงจะปล่อยวางได้นี่ลําดับการมาเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นที่บอกว่า <c oughs> ให้ปล่อยวางให้ปล่อยวาง ก็ต้องพูดให้เขาถูกหน่อยว่าคุณจะทําตามกระบวนการนี้ได้เนี่ยพูดอยู่นี่รอบที่3ามแล้วมั้งว่าสติต้องเป็นอธิบดีสติต้องเป็นไปตามลําดับสายงานแต่คุณจะมันตามลําดับสายงานมาอย่างเงี้ยคุณต้องเป็นไปตามลําดับนี้แต่ต้องเอาแล้วคุณจะระลึกได้ไงว่าเฮ้ยกูจะเช็นเตอร์เห็นตามที่เป็นจริงนะฉันต้องทำสติเป็นสมาธินะสติพวสติพวสติพ ว, วหมดเลยตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณมีสติเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึง หลาคำที่มีสติเป็นที่ตั้งที่ระเลึกถึงเนี่ยคือลักษณะของสารณะนะคืออย่เดียวคือสารณะคือที่ไปและจิตเรามันถูกพัดไปตามกระแสะถูกคนด่าบ้างสิ่งกระทบบ้างลูกบ้างผัวบ้างอ้อยคนรอบตัวอะไรต่างๆอันนี้คือกระแสะนะกระแสะที่มาทางตาหูจ ม, มูกเดินกายใจพัดมาสู้สู้มาเลยอันนี้ก็จะเป็นกระแสะของตันหาและเป็นกระแสะของสังสารวัตหมาหลายคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเครื่องทวนกระแสะเครื่องทวนกระแสะ เพราะนถ้าเราไปตามกระแสเงี้ยโอยเราต้องมีที่เกาะต้องมีที่จับอ่ะต้องมีที่พึ่งอ่ะที่เกาะที่จับที่พึ่งเนี้ยคือสติคือพระบุญประธรรมประสงค์คือการที่เราราลึกถึงพระบุญพะธรรมประสงค์อันนี้คือเป็นพุทธานุสตินะธรรมานุสติสังการนุสติแต่เป็นที่เกาะไว้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราไหลไปตามกระแสเอา้าถ้าไหลไปแล้วเป็นยังไงโอยมันก็จะทุกข์อ่ะมันก็จะบางทีไปโก้เพื่อนชั่วบางทีก็ไปทำปิดศีลบางทีก็โกงบ้างโกหกซึ่งซึ่งหน้า อันนี้คือไปตามกระแสล่ะแล้วมันจะไปไหนต่อนู่นนรกกำเนิดราชาเปรมวิสัยถ้าไปตามกระแสนะอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นแต่ให้ทวนกระแสเอาทวนยังไงยังไม่มีกําลังเอานี้ไปเกาะซะก่อนให้มีกอบแกงอยู่กลางน้ําแล้วกาแกงอยู่กลางน้ำเนี่นคือผู้ตัวโมสังโคเกาะแล้วไงดูให้ดีทางไหนคือฝั่งอย่าไปขึ้นฝั่งผิดละฝั่งนั้นมีอันตรายแต่ขึ้นฝั่งโน้นขึ้นฝั่งโน้นฝั่งทางขวาเอาแล้วจะไปยังไงอ่ะไม่มีเรือไม่มีแพเอาพยายามข้ามไป ใช้กำลังมือกำลังขาของเราเนี่ยไปทางนั้นไปให้ถูกทางการที่เราเล็งทางก่อนเนี่ยแล้วไปให้ถูกทางอันนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นฝั่งอยู่ตรงนู้นแล้วนะไม่ใช่ฝั่งนั้นนะฝั่งนั้นผิดแต่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นนี่นนนคือทางกว่านะแล้ว<ฮ>พยายามไปแล้วพยายามไปทํายังไงแล้วก็จิตต้องมีความเพียรความที่พยายามไปเนี่ยคือสัมมาวายามะในการที่เราจะตั้งจิตเกาะไว้ได้เนี่ยนี่คือสมมาสติอยู่แล้ว กําลังที่คุณเป็นทางกายกําลังที่คุณเป็นทางวาจานี่คือสัมมากรรมันตาสัมมาวยามะกําลังทางใจนี่คือสัมมาสังกัค่ะมีทรงไว้ซึ่งกําลังนี้คือสัมมาวยามะนพุ่งไปทางนั้นนี่ก็คือไปให้มันถูกทางละนนี้คือสมาธิกําลังที่ขับคดันไปนี่ก็คือสมาสมาธิแต่เป็นกําลังที่ดันไปประะนั้นมรรคแปดก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะกําลังจะ ถามท่านว่าดังนั้นที่คํากล่าวที่มักจะพูดกันอยู่เสมอสติกับการปล่อยวางเนี่ยจริงๆแล้ว่าจะมีเขาเรียกอะไรคะมีองค์ประกอบอยู่ในนั้น ก, ก่อนจะนําไปสู่การปล่อยวางใช่ใช่แล้วก็สติเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากเพราะว่าจะทําให้เรามีอารมณ์เป็นอันเดียวไดใ้ใช่ใช่ค่ะสตินี่นะคุณหยุ่มถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็ ค, คือคือเปิดมาครั้งแรกเลยเนี่ย พระเจ้ายังไม่ทันจะไปสอนใครแต่คือคือตัดสินใจแล้วว่าเออเราจะโปรดสัตว์โลกและสัตว์โลกมีบัวสามเหล่าใช่ไหมอาฉันะจะไปสอนแต่มาสักแป๊หนึ่งก็เริ่ดลึกขึ้นได้ว่าเออจะไปสอนเรื่องอะไรโอ้สอนเรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แหละมันเป็นเรื่องแรกเลยนะรุณโยมถือเป็นเรื่องแรกเลยที่คิดว่าอืมอสติปัฏฐานสี่นี่แหละจะต้องไปสอนค่ะนี่กันที่หนึ่งนะแล้วตอนสุดท้ายตอนปารินิพพานเนี่ยก็ยังบอกว่าอาสังการทั้งหลายทั้งปวงมีความเป็นก่อนไม่เที่ยงเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจง ไอความ <okay. S 1> ไม่ประมาทเนี่ยก็คือสตินะ oh. คือคือสติตรงข้ามกับประมาทสตินี่คือ <Okay. S 1> เล็งไว้เพ่งเอาไว้จดจ่อไว้แต่ประมาทนี่คือแบบเล่นเพลินไม่สนใจนคือคือถ้าเราจะเปรียบเทียบกับนายทวารที่เขาเฝ้าประตูเนี่ยเขาจะเล็งเอาไว้อย่างคือคือต่อสู้กันเนี่ยฆ่าศึกศัตรูรอยู่ข้างหน้าเนี่ยคนแม่นปืนเนี่ยเขาจะเล็งไว้ตลอดแต่ถ้าเขาไม่เล็งอ่ะเขาไม่เพ่งเอาไว้อ่ะมันก็เพลินมันก็เผลอมันก็เป็นแบบประมาท <Okay. S 1> อันนี้จึงเป็นตรงข้ามกัน ถ้าเปรียบวิชาของพระพุทธองค์เหมือนกับร่างกายของมนุษย์สติจะเปลี่ยนได้กับร่างกายไหนคะ่ะคือในทวารคือถ้าเปรียบร่างกายของมนุษย์เป็นเมืองเป็นเมืองที่มีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงอันนี้พระบริชาเปรียบเปรยนะคะที่จะมาบอกเมื่อสักครู่ว่ากายของเราเนี่ยเปรียบเหมือนเมืองหนึ่งโดยมีธาตุสีเนี่ยเป็นโครงสร้างของเมืองก็คือกายของเราเนี่ยมีกระดูกเป็นโครง มีเนื้อและเลือดเนี่ยมาฉาบทาเอาไว้มีหนังหุ้มอยู่อย่างนี้นะก็คือเหมือ น, นกับเราเอาเหล็กเนี่ยมามัดเป็นโครงเสร็จแล้วคุณอาปูนก่อเอาวเปเปอร์ติดมันก็เกิด เ, เป็นเรือขนขึ้นมาได้เป็นบ้านเมืองขึ้นมาได้กายของเราเป็นอย่างนี้แลแล้วก็มีประตูอยู่6ประตูคือตาหูจมูกหูง่ายใจและมีเจ้าเมืองคือวิญ ญ, ญาณมีคนเฝ้าประตูคือสติแล้วเมืองนี้ต้องมีกำแพงร้อมรอบด้วยนะถึงจะมั่นคงกำแพงร้อมรอบขอบเขตของมันตรง น, นี้คือปัญญา บรรยาศ อ, อยู่ที่ไหนขอบอยู่ตรงผัสสะแล้วก็คูที่กั้นอยู่ข้างนอกแ ล, กลกน ะ, ะ, ะ ค, าาคูล้อมรอบกับเชิงเทินเดินรอบเพราะว่ามันจะต้องคอยป้องกันศัตรูที่มันบุกมาใช่ไหมค่ะคูล้อมรอบกับเชิงเทินเดินรอบนี่ก็คือฮีริกับโอตาปักในเมืองเนี่ยยังจะต้องมีกองกําลังคือทหารนะที่คอยแบบถ้ามีศัตรูมาก็ไปบุกไปป้องกันเมืองได้แล้วกองทหารนี้คือความเพียร ทาหารนี่ถ้าไม่ได้มีอาวุธแหมมันก็ไ ม, ไม่ไม่เต็มที่ใช่ไหมอาวุธเนี่ยก็คือสุตตะนะสุตตะก็คือธรรมะที่เราฟังนี่แหละทรงสุตตะสังสมสุตตะนี่คืออาวุธให้ทหารจะเอาไปใช้แล้วในเมืองนี่ถ้าไม่มีอาหารโอ้โหก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆยารักษาโรคพวกนี้อาหารเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคพวกนี้อันนี้ก็คือสมาธินะสมาธิคือฌานทั้ง4 1234ึามไล่ไป นอกจากนี้ะคือไอ้โครงสร้างของเมืองทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีเสาที่มั่นคงเสาที่มั่นคงเสาทั้งหมดที่ว่าเป็นจะเป็นโครงสร้างต่างต่างๆเนี่ยคือศรัทธาศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเมืองนี้จะมีความมั่นคงมากค่ะใจของเรากายของเราเนี่ยทําให้เป็นเมืองกายที่มีจิตเป็นหัวหน้าให้เป็นแบบนี้เมืองกายที่มีจิตเป็นหัวหน้าใช่มีจิตเป็นเจ้าเมืองค่ะ แต่ว่าจิตนั้นจะต้องเป็นจิตที่มีสติมากํากับแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเราจะมาสร้างเมืองแล้วก็สร้างบ้านเมืองเนี่ยไอ้ตอนช่วงที่มีสงครามเนี่ยเราจะทําไม่ได้นะคุณจํมติวโอ้ยพอมีสงครามพุกคุณเพิ่งจะมาฝึกทหารเก็บสะสมสเสบียงโหมันจะไปทันการได้ไงข้าสึกมันอยู่เฉพาะหน้าใช่ไหมเราต้องทําตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่มีข้าสึกมาตอนทําตั้งแต่ตอนที่บ้านเมืองสงบทําตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่แก่ นะคือคือค่าสึกเนี่ยคือความตายคือความแก่มาแน่นอนอันนี้เป็นทับใหญ่ของมันนีเป็นทับใหญ่ของมันเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่เขาเจ็บความตายเนี่ยมาแน่นอนแต่ว่าทับหน้าบางทีมันก็ส่งฐานมาสอดแนมเอ่อก็คือเป ร, เรียบเหมือนกับความทุกข์เล็กๆลน้อยนเช่นคุณอาจจะปวดหัวปวดตัวบ้างคุณอาจจะมีแบบรถติดบ้างเอ่ออันนั้นนี้แทรกบ้างอันนี้คือเหมือนกับทับหน้าของมันส่งมาสอดแนมซะก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่เรายังไม่ได้มีความทุกข์อะไรมากเนี่ย ค่าศึกยังไม่มาเนี่ยคุณต้องเร่งสะสมสเสบียงฝึกทหารสร้างกำแพงซะขุดคูซะนะยารักษาโรคอะไรต่างๆเก็บเอาไว้ให้ดีเพราะว่ามันมาแน่นอนมาแน่นอนนะค่ะาศึกนี้มาแน่นอนคือความแก่ความเจ็บและความตายถ้ามันมาแล้วเราจะมาทำทีหลังเนี่ยอันนี้จะเป็นผู้ที่เรียกว่าร้อนใจในภายหลังพระพะทธเจ้าจึงพูดเสมอว่าอย่าร้อนใจในภายหลังให้ร้อนใจตอนนี้ แต่ถ้าหาเนี่ยเขาร้อนใจตอนนี้ฉันต้องฝึกก่อนฉันต้องทําก่อนแต่เพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ร้อนใจตอนนั้นถ้าไปร้อนใจในอนาคตเนี่ยบางทีอาจจะแบบไม่ทันอ่ะคือถ้าถ้ามีบุญมากก็ดีอาจจะทันแต่ถ้ามันไม่ทันนี่ก็สวยไปนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่พระพุทธองค์ก็จึงสรุปสั้นๆเอาไว้เป็นปัจฉิมวาจาอืเก็นะคะใช<จ S>่ค่ะอะอยากจะฟังเป็นพุทธพจน์ ไปรอบไปรอบเต็มเต็สตมสะ จ, จะพูดช้ชาๆ <Ost> ว, าว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึง พ, พร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอาจารยแค่นี้ค่ะจําได้ง่ายๆนะคะพวกเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอาจารย์ผ่านใช่อภมาทีนะสัมปตาทีธาไหมคะถูกต้องถูกต้อง นะคะดิฉันจะได้ยินบ่อยๆก็ท้องเอาไว้เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยถ้าคิดเองคิดตามนะคะก็เออเราก็รู้นะเรื่องเนี้ยเราก็รู้เราก็รู้แต่เราก็ทอดทุระไปวันวันวันวันหนึ่ง ม, มัววุ่นวายกับอย่างอื่นอันนี้คือคือจะไปร้อนใจตอนภายหลังแล้วเนี่ยต้องระวังค่ะดิฉันเห็นนะคะคนที่อายุมากๆแล้วตอนนี้ก็จะนขนไควายทําบุญใส่บาตรอะไรเงี้ย ม, มีค่ะนะคะก็ คงจะได้สาระมากมายเลยทีเดียวสําหรับวันนี้กราบน้อมสักการขอบคุณท่านพิบูลเป็นอย่างสูงนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังที่ครับค่ะและนี่ก็คือรายการสรมสีนิสนทนานะคะสรรหาเอาธรรมะของพระาศาสดามาให้เราใช้ท่านจะสังเกตไหคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยก็จะต้องพูดซ้ําพูดย้ำในหัวข้อที่เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคําสอนของพระาศาสดานั้นนะคะก็จะมุ่งเน้นที่จะให้พวกเรานั้นได้เข้าใจ อย่างถูกต้องถึงความเป็นธรรมชาติที่มันน่ากลัวแล้วทำให้เราพบอยู่กับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาและจำเป็นต้องไม่ประมาทเพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่ไม่ต้องร้อนใจในภายหลังเราติดตามรับฟังรายการกันอีกนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าพบท่านพิบูลทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเพียงลําพังของท่านแล้วก็ในส่วนของวันพฤหับสบดีกับวันศุกร์จะมีดิฉันสันสินีนาคพง์ร่วมสนทนาทางสถานีวิทยุ เอสเ็มครอบครัวข่าวร้อยหกแห่งนี้วันนี้พู้ทว่าสวัสดีค่ะ